คุณเจ้าที่เคารพแล้วก็สวัสดีดพ่อแม่พี่น้องชาวบุคคลที่รักทุกท่านวันนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสเดินทางมาที่บ้านบุคคลอีกครั้งหนึ่งผมเคยมาที่บ้านบุคคลนี้เมื่อสี่ห้าปีที่แล้วนะครับนนมาพร้อมกับหลวงพ่อเทียนนะฮะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ผมมีโอกาสมาที่บ้านบุคคล ซึ่งเป็นบ้านเกิดของหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งนะ <S <S ผมรู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาถึงบ้านเกิดของหลวงพ่อเทียนนะฮะซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งผมเคารพอย่างสูงสุดนะครับเท่าที่ผมเดินทางผ่านมานะครับจากจังหวัดเลยมาถึงที่เชียงคานแล้วกลับมาถึงที่บ้า น, นบุพพงนะฮะ สิ่งหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่ า, าส ก, กิดใจมากนะครับคือเรื่องของป่าครับตลอดทางที่ผ่านมารู้สึกว่าสองข้างแห้งแล้งแล้วเมื่อมองไปทางฝั่งลาวรู้สึกว่าทางฝั่งลาวเนี่ยเมืองน้องเขาต้นไม้เขามีมากกว่านะฮะก็รู้สึกว่าทางฝั่งไทยของเราเนี่ยต้นไม้ถูกโค่นไปเยอะก็อยากจะฝากท่านพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับว่าถ้า เป็นไปได้เราช่วยกันบา ร, รุงรักษาป่านะฮะเพราะว่าป่านี่จะเป็นทรัพยากรที่สำคัญจะทำให้ผืนแผ่นดินอุดมสมบูรณ์นะฮะแล้วก็เป็นแหล่งที่จะช่วยรักษาลำธารหรือว่าต้นไม้ต่างๆนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะเมื่อผมเดินทางมาถึงบ้านบุคมนะฮะแล้วก็ได้มาพบกับหลวงพ่อเทียน จิตตสุโพที่นี่ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ผมถือว่าที่บ้านบุโฮมนี้เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของหลวงพ่อเทียน น, ะน้นเป็นสถานที่ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็พวกลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อที่กรุงเทพหรือว่าที่จังหวัดอื่นๆก็ตามนะฮะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเดินทางมา ดูสถานที่ซึ่งเป็นบ้านเกิดมืงนลองของหลวงพ่อเทียนด้วยกันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าพวกเราซึ่งเป็นพ่อแม่พี่น้องชาวบุหงาเนี่ยควรจะรู้สึกภูมิใจนะที่เราเป็น เ, เป็น เ, เพื่อนบ้านนะฮะหรือว่าเป็นพี่น้องนะฮะกับหลวงพ่อเทียนนะครับ เ, เมื่อพูดถึงท่านหลวงพ่อเทียนจิตสุโพแล้วนะครับทําให้ผมนึกไปถึงอาจารย์ทางธรรมะที่มีความสําคัญยิ่งองค์หนึ่งนะฮะในประเทศจีนเมื่อประมาณพันกว่าปีที่แล้วนะฮะ อ, อ, อาจารย์ทางธรรมะที่มีความสําคัญยิ่งองค์นั้นได้แก่ท่านไว่หลางหรือว่าคุยเนง <c oughs> ผมเคยอ่านเคยศึกษา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 แล้วก็เกิดอยู่ในหมู่บ้านเล็ ก, ลกๆคล้ายๆที่บ้านบุโหมนี้แหละนะฮะและท่านไม่รู้หนังสือนะฮะที่ความที่ท่านเป็นคนที่ไม่รู้หนังสือนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะฮะเพราะว่าทําให้คําสอนหรือว่าวิธีคิดวิธีแสดงทางหมูท่านนั้น <c oughs> เป็นอิสระจากตําราทั้งหลายจากคำพีทั้งหลายความที่ท่านไม่รู้หนังสือเนี่ยทําให้ท่านไม่เคยอ่านคำภีรไม่เคยอ่านตํารางั้นท่านแสดงออกมาจากใจนะฮะ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 ประเด็นนี้ผมนึกมาถึงท่านหลวงพ่อนะฮะหลวงพ่อเทียนของเราท่านพูดอยู่เสมอว่าเมื่อก่อนนั้นท่านไม่รู้หนังสือนะฮะแล้วก็ท่านก็เกิดที่บุคคมนะฮะท่านก็เติบโตแล้วก็ทํทาทํามหากินอยู่ที่บ้านบุคคมนี้แหละนะฮะ เ, เพราะฉะนั้นความที่หลวงพ่อเทียนของเราไม่รู้หนังสือนะครับซึ่งคล้ายๆกับท่านวัยหลังเนี่ยนะฮะ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 กับหลวงพระเทียนนั้นนะท่านทั้งสองรู้ธรรมะในขณะที่เป็นคลาวาวครับรู้ธรรมะในขณะที่เป็นคลาวาท่านเว้หลางนั้นได้ติดตามพระสังฆราชในสมัยนั้นนะฮะไปฝึกบำเพ็ญสมาธิภาวนากับพระสังฆปรินายกองที่ห้านะ แล้วก็ท่านขณะที่ท่านรู้ธรรมะนั้นนะท่านยังเป็นคารวาะท่านเป็นคนตำข้าวให้กับวัดนะยังไม่ได้บวชแล้วก็ในที่สุดท่านก็ได้รู้ธรรมะจนถึงที่สุดนะดับทุกข์ได้สนิทนะั้นท่านรู้ธรรมะถึงขั้นสูงสุดนั้นในขณะที่ท่านยังเป็นคนครัวของวัดแห่งหนึ่งอยู่นะฮะแล้วหลังจากนั้นท่านก็ไม่ได้บวชท่านก็ ยังคลองชีวิตเป็นคาวาดเช่นนั้นนะฮะต่อไปอีกถึงสิบห้าปีนะฮะอีกถึงสิบห้าปีหลังจากนั้นจึงได้บวชนะเพราะฉะนั้นการที่ท่านวยลางสามารถที่จะเข้าถึงธรรมะที่สูงสุดในขณะที่ยังเป็นคาวาดอยู่นี้ถือเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ถือเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมกำลังใจให้แก่พ่อแม่พี่น้องหรือว่าผู้ที่เป็นคาวาส ข้ารืหัดทั้งหลายเนะให้มีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมเพราะว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งสากลไม่จำกัดอยู่ในเพศไม่ว่าจะบรรพชิษหรือคารวะก็สามารถรู้ธรรมะถึงที่สุดได้เช่นเดียวกันแล้วไม่จำกัดอยู่กับวัยนะท่านเวหลางรู้ธรรมะขณะนั้นอายุเพียงยี่สิบกว่าปีเท่านั้นนะะท่านก็สามารถรู้ถึงที่สุดของทุกขไม่จำกัดวัยนะแล้วก็ไม่จำกัดว่าเป็นหญิงหรือชายนะ แล้วก็ไม่จํากัดความรู้ด้วยนะจะไม่รู้หนังสือก็สามารถรู้ธรรมะได้จนถึงที่สุดจะรู้หนังสือก็ถ้าปฏิบัติเต็มที่ก็สามารถรู้ถึงที่สุดได้เช่นเดียวกันนะหันนัดลองดชูชีวิตของท่านหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเทียนของเราท่านเล่าให้ฟังว่าท่านรู้ธรรมะใน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 กระทั่งท่านมาค้นพบวิธีเคลื่อนไหวแล้วก็กระทั่งรู้รูปนาม น, นะฮะแล้วก็รู้ปรมัตุสรู้ตอะไรต่างๆไปจนกระทั่งถึงรู้อาการเกิดดับนั้นนะฮะท่านค้นพบด้วยตัวขงท่านเองนะในขณะที่ท่านยังเป็นคารวะและท่านเล่าให้ฟังว่าท่านนุ่งกางเกงขาสั้นนะฮะยังเป็นโยมอยู่นะฮะแล้วก็การรู้ธรรมะของท่านนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วนะฮะภายในเวลา ยงไม่กี่วันท่านก็รู้ถึงที่สุดของทุกนะแล้วหลังจากนั้นท่านก็มีเมตตานะท่านเล่าให้ฟังนะครับอันนี้พ่อแม่พี่น้องที่บุคคลคงจะรู้ดีกว่าผมนะฮะว่าหลังจากที่ท่านรู้ธรรมะแล้วเนี่ยท่านก็ได้พยายามแมนะนําญาติพี่น้องแนะนําเพื่อนแนะนํามิตรสหายนะแนะนําเพื่อนบ้านให้ปฏิบัติธรรมะอันนี้เพื่อให้รู้อย่างท่านบ้าง น, นะฮะ แต่ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านได้พยายามสั่งสอนธรรมะในตอนที่ท่านยังเป็นโยมเป็นฆราวาสอยู่นั้นนะประมาณสองปีด้วยกันบอกว่าไม่ค่อยได้ผลดีเท่าใดนะันะเพราะว่าชาวบ้านไม่ค่อยเชื่อเพราะชาวบ้านติดในรูปแบบนะว่าจะต้องเป็นพระถึงจะเชื่อฟังเป็นฆราวาสเป็นโยมอก็ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่นะนะทีนี้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 ทีนี้ประการที่สามนะครับ <c oughs> ท่านทั้งสองคือท่านไวยหลางกับหลวงพ่อเทียนนั้นได้บวชเป็นฆาตภิกษุหลังจากที่ท่านรู้ธรรมะแล้วนะเพราะฉะนั้นการบวชจุดมุ่งหมาย ก, การบวชของท่านทั้งสองนั้นไม่ใช่บวชเพื่อสแสวงหาธรรมะแต่บวชเพื่อที่จะประกาศธรรมะจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับ ท่านเล่เหล่งนั้นหลังจากที่ท่านรู้ธรรมะแล้วนะฮะท่านก็ได้บลบไปซ่อนตัวอยู่กับพลานป่าเป็นเวลาถึงสิบห้าปีนะฮะเพราะว่ามีคนอิจฉาริษยาท่านนะฮะแม้แต่ว่าผู้ที่มีธรรมะสูงสุดแล้วก็ยังไม่วายที่จะมีคนอิจฉาริษยาท่านนะฮะเพราะว่าท่านได้บาดและจีวรจากสังฆราชไปนะเวลาขณะนั้นนฮะตอนที่ท่าน รู้ธรรมะแล้วเนี่ยนะฮะพระสังฆราชในสมัยนั้นเนี่ยได้มอบบาทและจีวรเนี่ยคล้ายๆมอบตำแหน่งพระสังฆราชให้นะทา่ทานทั้งที่ท่านยังเป็นคารวาดอยู่นะทีนี้ก็มีคนคนอื่นก็อิจฉานะฮะจะตามมาทำร้ายท่านท่านก็หลบซ่อนตัวไปอยู่กับพรานป่าถึงสิบห้าปีนะแล้วหลังจากที่เวลาผ่านไปเรื่องราวต่างๆเงียบหายไปแล้วนะท่านจึงออกมา สู่สังคมภายนอกและประกาศธรรมะและในที่สุดท่านก็ได้บวชนะฮะท่านได้บวชเป็นพระภิกษุแล้วก็ได้เป็นพระสังฆาราชองค์ที่หกประกาศธรรมะสั่งสอนธรรมะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองในประเทศจีน <c oughs> เพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายการบวชของท่านมิได้สแสวงหาธรรมะนะฮะแต่ว่าท่านบวชเพื่อที่จะประกาศธรรมะ ทีนี้ลองหันมาดูหลวงพ่อเทียนจิตตสุโพของเรานะครับเ อ, อท่านบวชเมื่อประมาณอายุ48ปีนะท่านรู้ธรรมะเมื่ออายุ46แต่ว่าพยายามสั่งสอนในขณะที่ยังเป็นโยมอยู่เนี่ยนะแต่ว่าไม่เคยมีใครเชื่อไม่เคยมีใครฟังนะเพราะว่าเป็นติดรูปแบบก็จะต้องเป็นพระถึงจะรู้ธรรมะเป็นโยมรู้ธรรมะไม่ได้นะเออ <c oughs> คือ ชาวบ้านไปติดในรูปแบบมากเกินไปนะทํทำให้ท่านไม่สะดวกในการที่จะสั่งสอนอบรมธรรมะกับคนอื่นๆนะในที่สุดท่านก็ตัดสินใจบวชนะฮะท่านบวชนั้นท่านไม่ได้บวชเพื่อสแสวงหาธรรมะอีกต่อไปนะฮะเพราะว่าท่านรู้ธรรมะถึงที่สุดแล้วนะฮะแต่ว่าท่านบวชเพื่อที่จะเป็นหนทางนะให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็เพื่อให้เกิดความสะดวกนะฮะ เพื่อที่จะประกาศธรรมะยันท่านบวช จ, จึงบวชเพื่อประกาศธรรมะนะโดยอาศัยความเมตตานะต่อชาวบ้านนะต่อญาติพี่น้องหรือว่าต่ อ, อ, อบุคคลอื่นๆนะว่าเมื่อท่านได้สวมผ้าเหลืองแล้วเนี่ยนะฮะชาวบ้านหรือว่าคนทั่วๆไปก็จะเชื่อฟังท่านนะแล้วก็ปฏิบัติตามท่านแล้วก็จะได้รับประโยชน์นะฮะ ได้รับประโยชน์จากธรรมะของท่านนั้นท่านบวชนั้นบวช ด, ด้วยความเมตตาเผื่อต้องการเผื่อแผ่ธรรมะนี้ให้แก่คนอื่นนะเพราะฉะนั้นแล้วการบวชของท่านนั้นจึงบวชเพื่อที่จะประกาศธรรมะนะเพราะว่าท่านบวชหลังจากที่ท่านรู้ธรรมะแล้วนะนั้นชีวิตของท่านวัยหลานกับหลวงพ่อเทียนคล้ายกันอย่างยิ่ง น, นะอีกในจุดนี้นะครับทีนี้ เอประการที่สี่นะครับเท <c oughs> ่าที่ผมอ่านชีวประวัติของเว่ยลางแล้วก็เท่าที่หลวงพ่อได้เล่าชีวประวัติของท่านให้ฟังนะคร <c oughs> ในตอนที่ท่านรู้ธรรมะนั้นนะฮะมีผู้ที่มีพระภิกษุรูปหนึ่งนะฮะคือมีมีทหารคนหนึ่งอันนี้หมายถึงว่าท่านไว่ยลางในประเทศจีนนะครับมีทหารคนหนึ่งนะฮะ ต้องการจะมาทำร้ายท่านนะฮะเพราะว่านึกอิจฉาวิสยาที่ท่านได้ตำแหน่งพระสังฆราชองค์ที่หกไปนะะก็อุตสาห์ปลอมตัวปลอมตัวมาบวชเป็นพระนะแล้วก็ตามเพื่อที่จะมาแย่งเอาบาตและจีวรนะะจากท่านไว้หลางพระภิกษุรูปนี้ชื่อภิกษุไวยมิงนะฮะคือจริงๆว่าไม่ได้เป็นพระแต่ว่า ตั้งใจบวชมาเพื่อที่จะมาแย่งชิงจีวรกับบาศ์เท่านั้นเองต้องการแย่งชิงตําแหน่งเนี้ยทีนี้หลังจากที่มาพบกับท่านเวลางแล้วเนี่ยนะฮะท่านไวหลางได้สั่งสอนธรรมะให้นะจนกระทั่งภิกษุวัยหมิงเนี่ยเกิดกลับใจนะกลับใจแล้วก็สารภาพลงกราบก้มลงกราบท่านไวหลางและสารภาพว่าที่ตา ม, มาเนี่ยนะฮะ เดิมทีเนี่ยตั้งใจจะมาปัทุสลายจะมาแย่งบาทและจีวรจะมาแย่งตําแหน่งพระสังฆราชจากท่านเวรลางแต่ครั้นได้ยินได้ฟังธรรมะที่ซึ่งท่านเวรหลางสั่งสอนแล้วเนี่ยก็บ Inform ังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและสมนึกผิดนะฮะในการกระทําของตัวครับก็เลยสารภาพนะฮะแล้วก็ท่านเวรหลางก็ให้อภัยนะฮะแล้วหลังจากนั้นภิกษุวัยมีนก็ เกิดดวงตาเห็นธรรมนะฮะก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพุทธศาสนาต่อไปนะฮะ <c oughs> ประเด็นนี้นะครับ <c oughs> คล้ายๆกับชีวประวัติตอนหนึ่งของหลวงพ่อนะฮะซึ่งหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านบ <c oughs> วชเป็นพระภิกษุแล้วก็สั่งสอนธรรมะอยู่นั้นนะฮะก็เกิด มีการล่ำเรือไปนะว่าท่านสอนธรรมะที่ท่านสอนนั้นผิดแปลกไปจากประเพณนะีจากธรรมเนียมต่างๆซึ่งคนเ่าคนแก่เคยสั่งสอนกันมานะะก็ลือกันไปว่าท่านเป็นคอมมิวนิสนะฮะแล้วก็มีนายตำรวจคนหนึ่งนะฮะอุตสาปลอมตัวนะฮะปลอมตัวมาบวชเหมือนกันนะฮะบวชเป็นพระภิกษุ แล้วก็เพื่อที่จะมาเฝ้าหลวงพ่อเทียนเนี่ยอย่างใกล้ชิดดูซะว่าเป็นมีพฤติการเป็นคอมมิสส์อย่างที่เขาเล่าหรือจริงหรือเปล่านะแล้วก็พระองค์นี้เนี่ยในตํารวจองค์นี้คนนีน้ซึ่งปลอมตัวบวชอุตส่าหอปลอมตัวบวชเป็นพระมาเนี่ยเพื่อที่จะจับผิดหลวงพ่อเนี่ยนะฮะได้เอ อ, อยู่กับหลวงพ่อมานานพอสมควรนะฮะอยู่ว่างบ้างหลวงพ่อก็สอนให้พลิกมือให้สร้างจังหวะนะฮะ ในตำรวจคำนั้นก็อยู่ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็พลิกมือปฏิบัติไปปฏิบัติไปในที่สุดก็เกิดรู้รูปนานนะรู้ธรรมะเอ่อยอย่างที่หลวงพ่อได้แนะวิธีให้นะก็เกิดความสำนึกผิดนะว่าบุคคลซึ้นตัวเองกำลังติดตามอยู่นี้เนี่ยนะเป็นพระอริยะนะไม่ใช่เป็นคอมมิวนิสต์อย่างที่ชาวบ้านเขาล่ำรือกันนะ ในที่สุดนายตำรวจคนนี้ก็ก้มลงกราบหลวงพ่อนะฮะแล้วก็สารภาพผิดว่าที่บวชมาแล้วติดตามมาเนี่ยต้องการจะจับผิดจะจับหลวงพ่อเข้าคุกแต่ว่าเอด้วยอนุภาพของธรรมะซึ่งหลวงพ่อท่านได้เมตตาสั่งสอนให้นะฮะทาให้ในายตำรวจคนนั้นสํานึกผิดแล้วก็เออในที่สุดก็เลิกติดตามนะฮะแล้วก็มอบตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเทียนไปนะฮะอันนี้เป็นเกร็ดประวัติ ของท่านเวลางังซึ่งเป็นพระสังฆปรินายกตำแหน่งเหมือนกับพระสังฆาราชของไทยนะองค์ที่หกในประเทศจีนเมื่อพันกว่าปีที่แล้วนะฮะกับหลวงพ่อเทียนจิตตสุโพของพวกเราชาวบุคมนะฮะซึ่งมีความละไม้ค ล, ล้ายคลึงกันมากนะฮะทีนี้ในแง่คำสอนนั้นนะฮะเท่าที่ผมศึกษาดูนะครับท่านเวลาังนั้น ผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับคำสอนท่านเวยหลางหลายครั้งด้วยกันนะแล้วในที่สุดผมจับสาระสําคัญได้ว่านะครท่านเวยหลางนั้นท่านปฏิเสธวิธีการทําสมาธิแบบหลับตาครับแบบนั่งนิ่งแล้วก็ภาวนาหลับตาเนี่ยท่านปฏิเสธไว้มีข้อความหลายตอนทีเดียวนะฮะในหนังสือสูตรของไวยหลางท่านกล่าวตาหนิติเตียนว่าอันนั้นเป็นมิจฉาสมาธินะฮะ เป็นสมาธิที่นำไปสู่ความสงบแบบไม่รู้ตัวนะฮะแบบไม่รู้ตัวนะฮะแล้วก็เอ่อสมาธิที่ให้นั่งนิ่งสงบหลับตานั้นนะฮะเป็นแบบสมถะกรรมฐานะะสงบแบบไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นเอ่อเมื่อผมมาศึกษาธรรมะกับ หลวงพ่อเทียนจิตสุโภแล้วเนี่ยนะฮท่านสอนสิ่งเดียวกันเลยครับนะท่านบอกว่าท่านภาวนาพุทโธ ท, ท่านกระทำมาแล้วนะเพ่งดวงแก้วภาวนาสัมมาอรหังท่านกระทำมาแล้วนะนัดหนึ่งถึงสิบท่านกระทำมาแล้วดูลมหายใจเข้าออกอยาดละเอียดท่านกระทำมาแล้วนะไม่บังเกิดผลนะยุดหนอพองหนอท่านกระทำมาแล้วนะ บอกสิ่งเหล่านั้นนาไปสู่ความสงบนะสงบแบบนิ่งนะสงบแบบสมถกรรมฐานไม่เกิดปัญญาแต่อย่างใดนะสงบแบบไปสู่ความนิ่งเฉยนะจนกระทั่งในสุดท่านได้ทดลองวิธีการเคลื่อนไหวนะพลิกมือโดยที่ไม่ต้องนั่งหลับตานะพลิกมือสร้างจังหวะเดินจงกลมนะและในสุดท่านก็รู้ธรรมะขึ้นมาด้วย สมาธิแบบเคลื่อนไหวนี้นะเพราะฉะนั้นคำสอนของท่านเว้ยหลางกับหลวงพระเทียนนั้นคล้ายคลึงกันอย่างยิ่งนะท่านเว้ยหลางนั้นท่านก็สอนสมาธิแบบเคลื่อนไหวเช่นเดียวกั น, นผมไปพบฟุตโนตเชิงอัดในหนังสือของเว้ยหลางนะ บ, บอกว่าสมาธินั้นจะต้องดำรงอยู่ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่คือยืนเดินนั่งนอน นะคือทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเนี่ยนะฮะจะต้องมีสมาธิอยู่ด้วยแล้วก็จะต้องเป็นสมาธิที่เคลื่อนไหวนะฮะจะต้องไม่หยุดนิ่งนะฮะนั่นคำสอนของพระสังฆราชองค์ที่หกในประเทศจีนนะกับหลวงพ่อเทียนจิตสุโพงเรานั้นใกล้เคียงกันอย่างยิ่งหรืออาจจะพูดได้ว่าตรงกันนะครับตรงกันนะในตัวเดนที่ว่าทั้งสองท่านนี้นะฮะ เไม่ส่งเสริมการทําสมาธิแบบหลับตานะแบบนั่งนิ่งนะเพราะว่าเป็นสมาธิที่นําไปสู่ความสงบแล้วไม่เกิดปัญญานะไม่สามารถนําไปสู่ความพ้นทุกข์ได้นะครท่านว้วยหลานก็กล่าวตามีติเตียนเอาไว้เช่นนั้นนะว่าผู้ที่นอกจากจะไม่รู้ธรรมะจริงแล้วยังเที่ยวสั่งสอนคนอื่นยัง ผ, ผิดนี้นะเป็นการทําบาปให้กับคนอื่นนะ ในหนังสือสูตรของไ่านวิรางได้กล่าวไว้เช่นนั้นนะลดนอกจากนั้นนะฮะในคำสอองท่านไวิรางนั้นท่านก็ไม่ให้ยึด ต, ติดในเรื่องของศีล น, นะฮะไม่ให้ยึด ต, ติดในเรื่องของศีลไม่ให้ยึด ต, ติดในสมาธิแบบหลับตานะฮะซึ่งเออ ทั้งหมดนี้นะฮะผมเห็นว่าเป็นคำสอนซึ่งใกล้เคียงกับออของหลวงพ่อเทียนจิตสุโพอย่างยิ่งนะครับ <c oughs> ผมเห็นว่านะฮะท่านว่ายลางนั้นเปรียบประดุจเป็นเพชรมณีนะฮะซึ่งมีค่ายิ่งของประเทศจีนนะฮะ <c oughs> เมื่อพันกับปีที่แล้ว <c oughs> เวลานี้นะฮะผมเห็นว่า เพชรมณีอันมีค่ายิ่งนั้นนะมาอยู่ในประเทศไทยแล้วนะฮะแล้วก็ถือกําเนิดขึ้นมาในบ้านบุคคลนี้เองนะฮะผมจึงรู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาที่บ้านบุคคลนะฮะแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งกับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะฮะในบ้านบุคคลนี้ที่เพชรมณีดวงเอกในพุทธศาสนานั้นได้เกิดขึ้นที่นี่นะฮะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะ ได้ช่วยกันรักษานะเพชรมณีดวงนี้และก็ธรรมะอันมีคุณค่านี้ไว้ให้อยู่กับบ้านดูคมนะฮะ <c oughs> เป็นประทีปนะฮะที่จะส่องสว่างไปในจิตใจของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยเราต่ อ, ตอไปนะครับมีมนต์ตั้งใจฝังครับยล้วกว่ญาโก็ต้องตั้งใจฝัง ฟังแล้วก็ต้องปฏิบัติตามคำที่หลวงพ่อวานในประโยชน์มันจะเกิดขึ้นตามที่หลวงพ่อวานเนะี่ยบูรพาธผิดผิดกับผิดน้อยเพราะมันเป็นคนคือกันแต่ก็จิบูตรงกันทุกอย่างแต่ห่างบูผิดกันเพราะมันคนคือกันมันมีตามีมามมหูมีดังมีปากมีกายมีใจคือกันเมือย่าตั้งใจปฏิบัติธรรมะนี่บูเปนปฏิบัติเพื่ออย่างนี้ ปฏิบัติเพื่อให้เฮาหูห้ตัวเฮาเฮาหูหห้ตัวเฮาแล้จีเป็นแสดงมันจิโบสงสัยมีคนถานตายแล้วเกิดบอมันจีโบสงสัยตายแล้วศูญไปบ่มันจีโบสงสัยได้หอเขาบอสามารถที่จีว่าให้คนฟังย่างที่เฮาคาดคิดไว้เพ่อวันเวาแล้วรในบ่มีอันจีมาให้เขาเห็นนําได้ตัวเพียงตแต่แนว่ววิธีปฏิบัติเท่านั้นสื่อ การปฏิบัติแบบนี้ต้องให้รู้จักรูปหัวจักนามก่อนมื่อรู้ัวจักรูปหัวจักนามนการปฏิบัติต่อไปครั้งนะั้นอกกาจารย์โบกาวนะเพราะอาจารยมาสงสัยเรื่องกังวลเกับรูปกับนามนี้จะบอกให้มันรู้จักแทะให้รู้แจ้งรู้จริงแทะเมื่อรู้จักรูปนามรูปทำนามทำรูปโลกนามโลกที่งเหล่านี้แจ้งชัดลงไปแล้ว ต่อไปครั้งหน้ากับจิลูไปตามขั้นตอนของมันเองเมื่อรู้จักรูปนามนี่ดีแล้วเฮาจิเลิกการไว้ผีเลิกการไว้เทวดาให้ว่าเรื่องบาปเรื่องบุญเนี่ยเฮาจิโบสงใส่บาปคื อ, อยั้งบุญคื อ, อยั้งนี่ยเฮาจิโบสงใส่เพราะเฮาลูดีอันนี้อันนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นพอดีเป็นอันนี้แล้วรู้อันนี้แล้วมันจะเกิดข่มรู้อย่างหนึ่งขึ้นมา ความรู้นั้นมันจะเกิดปีติหรือภูมิใจในความลูกของตัวเองรู้นั้นรู้นี้รู้ไปโดยบ่มีเหตุบ่มีผลรู้แล้วก็ลืมรู้แล้วก็ลืมไปมันบ่นมีหลักฐ า, อา น, นอันนั้นเป็นเรื่องว่าปัญญาของวิปัสสนุปกิเลสิบหกประการตำราขาวายอย่างนั้นแด้บุู้หจักในขณะฮอก เ, เ็นอยู่นะฮะบุ้งหุูนจักว่าฮอก เ, เน เขาเป็นบ้าเขาจีบหัวใ จ, ว, จว่าเขาเป็นบ้าบอกต้องคนดีพุ่งอย่างหัวใจว่าเขาเป็นบ้าเขาเมาเหล้าอยู่เขากินเหล้าบ้านเขาเอินมาเหล้าเขจาจีบบอกหัวว่าเขาเมาเหล้ามู่เพื่อนนะบอว่ายาช่วยไปกินเหล้ามันเมาจนกูบอกเมาของบ้าน่ะใหนเขาเป็นบ้าจะเอาไปโรงพยาบาลกูบอเป็นมันมจะเถียงกันอันคนไปที่ปฐมนุกก็คือกันจังหวาให้หัวใจเอาไว้แต่พอดีมันเป็นอา้ทานรีบทําจังหวะให้ละลาย เดินจนกลมให้มันลายลายอย่าปากอย่าเวาอย่าหุยหู้จากอันนี้แล้วมันนี่ยหึงไปควมหู้นั่นมันจะค่อยลดไปลดไปแล้วก็จะเห็นคมคิดเหาหู้จักมันคิดขึ้นมามันจะเข้าไปในคมคิดเหาก็บพยานยาจับควมรู้สึกเหาว่ามไม่จับเดี๋ให้มันรู้สึกให้มันรู้สึกอยู่ทุกขณะพิกมือขึ้นก็นให้รู้ควมมือลงก็ให้รู้ยกมือไปก็ให้รู้ เอามือมาให้รู้พริกแข้งพริกขาให้รู้ให้เลยไปมันก้มมันเงยก็ให้รู้มันเหลี่ยวไส้เหลี่ยวขวบก็ให้รู้กินน้ําลายก็ให้รู้พริกตาก็ให้รู้นี่ให้รู้ไปมูดีให้รู้อยู่เรื่อยพอดีมันคิดขึ้นมาก็จะรู้มันคิดออกไปนอกคุ่นหอมก็ให้มันรู้กับผมรู้สึกเขาพริกเขาปี๊ดอยู่นี่ทําอันนี้มันรู้เข้ารู้เข้ารู้เข้าคันว่าเป็นอารมณ์ก็เห็นวัตถุ เห็นปรมัตถเห็นอาการเห็นโทสะเห็นโมหะเห็นโลภะเห็นว่าไม่ตาเห็นอย่างนี้ตกใจมันเห็นใจมันหูเดี๋ยวนี้เนี่ยฮะว่าเป็นในสื่อโทสะโมหะโลภะเนี่ยผู้ใดมีโทสะหนักก็จะเห็นโทสะก่อนผู้ใดเห็นโมหะอผู้ใดมีโมหะหนักก็จะเห็นโมหะก่อนผู้ใดมีโลภะหนักก็จะเห็นโลภะก่อนการฟังเทศฟังธรรมก็คือการมูฮาก็ได้ คั้นเขาว่าดีเขาจาว่าดีน้วยเขาเขาว่าเชื่อย่าว่าเชื่อน้วยเขาให้พิ่เจรณาด้วยสติปัญญาของเขาให้เข้าใจธรรมะคําสอนของพระพิจ้าเนี่ยเขาก็จะไปเชื่อคนเขาเขาว่าชั่วอจะไปว่าชั่วกับเขาเขาว่าดีจะไปว่าดีกับเขาให้เขารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงหั้นเขาด่าแบบนี่อยากได้เงินเขาอันเขาเนี่ยก็อยาให้เขาว่าเป็นมู่เขาคทำคนพวกเขาบ่มากกั คันพวกเขามากเขาว่ามายกเหงาเ่าเป็นมูเดียวกันเน่ยมันเป็นอย่างนันอย่าไปเสือดีก็อย่าเสือเชื่อก็อย่าเสือใช้สติปัญญาของเขาโดยเหตุโดยผลคนไม่ขันวางโง่พเพเกียดแต่คนจริงวางโง่นั้นแหละมันพอดีกันคนโง่แล้วเขาอย่างจูงได้คือควยนี่นะ คนโง่ล้วเขาอย่างจูงไดคือค่วยนี่นะอนี่ยพ่อเคยว่าให้ฟังค่วยเนี่ยคันมันสลาดมันกระสนจนเขจูงไปค้าน่ยจูงไปแบเลือกน้อยๆคนต้งหลายคนเนีย่ยพอเห็นขาเจ้าจูงไปยางไปตงุบตุงุบไปแต่ฮอตบ้างขา้าจีค้าแล้วก็เลือกมัดขอแล้วฟันแทงฟันขาฟันขอใต้โลดเน่ยข่วยมันโง่ข่วยเนี่ยคันหูวจากลักคิดล้ลักใครจากน้อยนี่ยเขาจะจูงกูไปค้าได้แต่ วิ่งแหงๆหนึดึงแหงๆงหนึง่งเสื้อแล้วลุดมือแล้วก็้นคนคนก็ตายหมดควิดกรบโได้ทุกตายทรัพเนี่ยอันคนนี่มันโง่เขาจึงหลอกจึงหลวงได้เพื่นว่าดังนั้นผู้ที่มีคุณธรรมะหรือพระเรียบบุคคลซอนคนโง่หันให้เป็นคนสลาดขึ้นมาเพื่นวายอย่างนั้นซอนคนที่ทํำบูดีพูดบูดีคิดบูดีนั้นให้มันกลับเป็นคนดีขึ้นมาเพื่อนวายอย่างนั้นซอนคนกําลังมีอยู่ขมทุกอยู่หันหน่ะ ให้เขาเลิกล่าขุมทุกขั้นให้เขาบ่มีทุกขั้นเพิ่งสอนจยางสั้นพระพุทธเจ้า <Okay. S 1> เมืองอันบุญนั้นให้เขาสอนกันมาจาก่อนแล้วให้เขาก็ใจยอย่างสั้นเฮายักไปเกิดเมืองเทวดายักไปเป็นเมียพระอินนี่เป็นวะพระอินผู้เดียว ม, ม, มีเมียซี่คนผู้หญิงก็ยักไปเป็นเมียพระอินบัด น, นี้ผู้ชาก็ยักไปเกิดเป็นเทวดาบัด น, นี้พ่อเขาเสื้อตาหลับตำลาเสื้อครูบาอาจารย์ เมืองสวรรค์นั้นมีผู้หญิงห้าร้อยคนมีผู้ชายผู้เดียวให้ว่าผู้ชายผู้เดียวเป็นเมียห้าร้อยคนคนมีกิเลสบานคนอยากไปสนวคนมีกิเลสอยากไปมันอยากได้เมียหลายคนเนี่ยฮ้อนโง่ที่สุดกับขอกิเลสเนี่ยมันบูมันหมืออยากไปเพื่เมืองสวรรค์เมียผู้เดียวสองคนก็ยังทะเลาะผิดเตียงกันทุกเกือบตายแล้วจะไปเมียซีบคนสาวคนตั้งห้าร้อยคนกันก็หาเวลาหลับนอนได้มันก็ตายสนวะ เดียผพูดยิงอ่ะถ้าเราคอย ก, กุมตีกันกระตกมาเต้เมืองสวรรค์ฮอดลุงนี่ก็ขอหักตายเสนอก็เป็นเมืองนรกเสนเมืองสันนะมะันจะเป็นเมืองสวรรค์อย่างไหนเหมืองคนมีกี่เรื่อเขาเออเมืองนรกเฮาบูฮุจาว่ากีเลสอันนั้นอันนี้เนี่ยสันให้เข้าใจให้มันดีเนี่ยพอวานเนี่ยอยากเสื้ออย่าพอให้พี่จนเอาเองอยากไปเป็นเมียพระอินพระอินเนี่ย พ, ะ พ, ะะพระลูกคนสวยคนงามอ่ะสินเมียพระอินน่ะมีซี่คนพนวะเพราะยัง ก็เพราะโง่ของเขานั่นแหละเขาบูฮู้จักคนว่างโง่ย่าสุเคียสกูไี่งโง่ได้กลับมาสลาดซะคนว่ามันบูดีได้กลับมาทําดีซะมันก็แลว้วซื่อเนี่ยกูไป ม, มีทุกข์ได้กูก็เลิกททุกข์เนี่ยมันก็บูทุกข์มันก็แลว้วซื่อเนี่ยอันพระพุทธเจ้าบูเซ ม, ม, มีตนมีโตเขาก็เคยได้ยินอยู่เนี่ยพระวักกลิกกะไปยึด ก, กับพระพุทธเจ้าอ่ะรักพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยว่าให้ เลยให้ว่าเสียอกเสียใจทิ่ไปขึ้นภูเขาที่ไปโดดเหวตายหลายเรื่องพูนว่าพระพุทธเจ้าก็เลยไปห้ามไว้พระวรกลิศเข้าใจว่าอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทีว่าโดยว่าคาน้อยทีว่าแต่นั้นโบแมนพระวรกลิศตายเป็นมดตายเป็นตายแล้วเน่าเหม็ดเปบนเน่าเหม็นเป็นอันรูปนี้เนี่ยรูปพวกเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยตายเป็นมดตายเป็นเน่าเหม็ดเป็นบเน่าเหม็นเป็น คันตายเป็นเน่าเป็นเป็นมา่กี้เป็นพระพุทธเจ้าได้ทําไหมอยากเห็นพระพุทธเจ้าดีแล้วอันให้ฐานรักษาศีลมนันอันดีแล้วแต่มันไม่เห็นของจริงก็เลยมาหาเรื่องว่าเอาเนี่ยเพราะว่าเป็นว่าโสสามโสอ่านหนังสือเป็นว่าโสสามโสก็สะอาดสว่างสงบเคนเอิญโสสามโสคันสะอาดอันหอกมีในจิตใจสะอาดจิตใจสว่าง จิตใจสงบจิตใจบริสุทธ wow ิ์จ ah ิตใจผ่องใสจิตใจว่องไวพระพุทธเจ้าบทสิบขุนทื้อฟังอนากรรมงเข้าใจรู้จักนะพระพุทธเจ้าอันนั้นคือจิตใจของพระพุทธเจ้ามีพร้อมกันทั้งหกอย่างนี้ของพระพุทธเจ้าเขานั้นมีอันเถื่อละอันมีจิตใจสะอาดกับจิตใจกับบทสว่างแบบนี้ขันมีจิตใจสว่างจิตใจกับจิตใจบทสะอาดแบบนี้ขันมีจิตใจสงบจิตใจมันจิตบทสะอาดมันจิตบทสว่าง ท่ันก็บุหจักเลยหรือบางทีห่ออาจทําจิตใจเ่าสะอาดสว่างสงบได้ครบสามญานีกนกาแสดงว่าเหาเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าในน้อยขึ้นมาแล้วเนี่ยบัด น, นี้จิตใจหอบบริสุดขึ้นมาบัดเนี่ยจิตใจพองใสบัดเนี่ยมีผู้ใดามาว่าอันใดหู้จักควางใหม่ลถจิตใจว่องไวเขาก็เห็นพระพุทธเจ้าเสนว่าเขาก็ย่างไปหาพระพุทธเจ้าจับแขนจับขาพระพุทธเจ้าก็ะทุกเสนว่ายังพระพุทธเจ้าจิตบ่มีตับวบ่มีตั เมื่อพระวรลิกได้เห็นอย่างนี้แล้วก็โอ้ยอยู่กับพระพุทธเจ้าก็อยู่ได้บ่ยู่กับพระพุทธเจ้าก็อยู่ได้เพราะว่าตัวกมีคือกันกับพระพุทธเจ้าแล้วน่าคงสบายถอนสื่อนี่นะอันในภาในจีเปโซกเอาซี่ใดมันจีเป็นบ้านเป็นเมืองสีไใดเสื้อมีอย่างกระดอกกระดี้เอาตําราเนั่ยกระไดคันโบ้เสื้อตำลามันกับทาลายเสื้อโบแมนผู้ได้เสื้อข้าเจ้าเสื้อย้อนสกรอนเขาไม่ได้ทําลายคันเสื้อตําราข้าพิอุปาทานเสนา คือยังรับสินเนี่ยบุได้รับสินแปดแต่ให้ยังบุได้ก็ยึดสินอยู่หันน่ยก็เป็นอุปาทานเสนาะหันบุได้ไปให้จังหันบุได้ไปใหเสงี่บบได้ทาบุได้ทานก็ไปยึดยูหันมันเนี่ยเป่นอุปาทานอันนั้นนะอย่าไปยึดไปถือจังฮันมีก็ทานบุมีก็แล้วไปมีก็ให้บุมีก็แล้วไปเนี่ยจังฮันเป็นนวคนบุมีอุปาทานเพ็ดไปด้วยความบริสุทธิ์มีก็ให้บุดีใจบุมีกบบับบุให้บุเสียใจเป็นวะ ว่าแล้วมือเนียวท่านกับเสียใจอีกตื้นตัวโอ้ยว่าจิไปไหว้พระมือเนียว่อได้ไปไหว้พระเสียใจแล้วเนี่ยเนี่อยอุปทานทุกแล้วเนี่ยความเสียใจความดีใจมันเป็นทุกข์ดีใจแล้พ้นเอื้อมือสีขาวเสียใจได้พ้นเอื้อมมือสีดำว่ามือสีดำสีขาวกับบูฮุจักคนเฮาเนี่ยบูฮุจักเพาะยังพูด ม, มืออยู่ในถ้มพุ่นเพนว่าทำมาให้ฟังแล้วบูฮุจัก บางคนนะมาฟังอย่าเพราะว่าที่เดือนโอ้ยโบเมนหางอกอันเนียมันเป็นเทวทัศน์แหละคอมมานิตแหละเนี่ยโอแปลงสนคอมมานิตหมายถึงอันใดเจ้าของหุ่จักบอเทวทัศน์หมายถึงอันใดเจ้าของหู้จักบอโบหุ่นจักแล้วก็ได้ยินเขาว่าก่าว่าน้าเขาซื่อเนี่ยอันเลือกไปฟังความคนอื่นน่้มันบม่เปประโยชน์เพทนว่าให้เดินจมกลมก็เดินเราเบิ้งซื่อนี่นะเพทนว่าให้ใจบอกก็ให้เราเบิ้งซื่อนี่นะ มันจีเสียทรัพย์ดับสินไม่หยังมันเสียเงินเสียทองไม่หยั่งมันไม่ได้เสียไม่หยั่งในเห็ดหลอกเบื้องซื่อเนี่ยเหตุหลอกเบื้องขันมันหูโอเฮ็ดอันนี้เบื้องหูเด้ชอะก็หูสนะมันมีเรื่องอย่างอันโทสะโมหะโลภะนั่นมันเกิดขึ้นเพราะในระยะของลืมตัวเฮาซื่อเนี่ยด้ถ้าหากเฮาหูจักตัวเฮาอยู่ซี่มีคน้ไหนมาว่าเฮ้ยโกดมันนทุกเด้ชนะเขาบอโกดแล้วขล้วซื่อเนี่ยอันโกดอยู่หันน่ะมันทุกเด้นรกกันเลย อนนโกนั่งกับโบสถสิเป็นฟดอยู่พระรั่วเพราะรั่วอยู่คือฮาว่ากันนั้นกระทะทองแดงนะคนโกดเนี่ยให้มันยืนอยู่คนเดียวมันยืนได้บอสมันยืนอยู่เมอะกระทะทองแดงกัย่างคุย่างพีแต่มันโกดอะมันหอนเนี่ยนอนด้วยมันกะพิกกะปีนอยู่เพราะว่าน้ำหอนน้ำกระทะทองแดงนั่งมันกะนั่งบบได้นานคนยกกระทะทองแดงทวนวายอย่างสั้นนั่งกระทะทองแดงยืนยกกระทะทองแดงนอนยกกระทะทองแดงขันคนโกดนะ มันโขกผินวายอย่างนั้นเขาก็เลิกซะอย่างว่าผู้มีอายุํากันเนี่ยคันโกรธเฮ้ยตกนรกแล้วได้หันหน้าก็อายขึ้นเสียผู้มีอะไรกันแล้โอ้กูตกนรกแล้วเนี่ยกะซ้อนทำมาให้กันในครอบครัวแบบนี้ขันผู้ัวโกรธเนี่ยตกนรกได้หันหน้าเนี่ยนกกะอายขึ้นมากะซ้อนทำมาให้กันอยู่ในบ้านในเฮือนผินวายอย่างแรงซ้อนลูกซ้อนหลังอยู่ในบ้านในเฮือนอันนี้ขันโกรธให้มันกะแลบเบื้องหน้าขันบอด้แล้วแบบนี้เนี่ยมันคนโง่ทั้งนั้นแล้ย มันโง่ขันว่าโง่อย่าสุขเรียแต่เชียกะซางหมู่เจ้าอะหมู่เจ้าเครียดห่จ้ากระตกนรกเนี่ยพอว่าให้ฟังอยู nah ่เด <|so|> ียวนี้เนี anyway> ่ยนรกคือความทุกข์ให้เข้าใจว่าหมู่เจ้าเครียดให้เน่าพอเมื่อแดดกับมูอข่าจะกระตกนรกมือนั้นโบเม่นนรกฟุดปุลวัวปลวัวอยู่พุ้นหมู่เจ้าเลิกความเครียดความโกธรความโบเม่นอกในใจผัวเมียให้กันนั้นน่ะเศร้าสะเทอเขาผิดเพี้ยงกันเดียเดยหมู่เจ้าก็ได้ขึ้นเมืองสวัสด์มือนั้นเลิกมือนั้นเพื่งว่ออดีตอนาคตนั้น เหตุอย่างให้เขาบ่นได้เขาจะแก้ได้แต่เฉพาะปัจจุบันเท่านั้นเขาเคยว่ากันอย่างพ่อเป็นเด็กน้อยเพิน่นลำเพิ่นวาจิเลศพันห้าตันหาลอยแปดเสือกผูกคอผอผูกซอกพวกสับแข้งสับขาง่อยพิ่นักสร้างวอกมอลำเพิ่นวาบ่มู้จักได้เวาซื่อได้เนี่ยจิเลศพันห้าเกิดอยู่ใสเกิดอยู่กับอดีตฮั้นคือจะคิดเมื่อกี้เนี่ยห้าลอย เกิดยู่กับปัจจุบันอยพอดีว่าห้าร้อยเกิดขึ้นกับนอนาคตห้าร้อยสามอย่างนี้แหลนะเพื่นว่าสามห้าสิบห้าเป็นกิเลสทันห้าเกิดขึ้นอดีตหนึง่งเกิดขึ้นอนาคตหนึง่งเกิดขึ้นกับปัจจุบันหนึ่งเพราะมันบูมหัจักตัวเองเพื่นว่าขันรู้จักตัวเองแล้วมันบูเกิดขึ้นมาแล้วโอ๊ยมันจะเกิดขึ้นมาแล้วมันก็นหายแวบไปโรตีซืนเนี่ยอดีตกับบเกิดขึ้นอนาคตกับบเกิดขึ้นปัจจุบันกับบเกิดขึ้นก็ล้างมือเสีนว่ามือกับบุกสกปรก อันนี้คำว่างเกิดข้นไปสาวคิดโตกันละบันเนยไปกินเขาอีกตื้มลางมืออีกเติมเนี่ยมันเป็นอย่างตันหาร้อยแปดยกเกิดขึ้นอดีตอนาคตปัจจุบันคือกันเกิดขึ้นอดีตสามสิบหกเกิดขึ้นอนาคตสามสิบหกเกิดขึ้นปัจจุบันสามสิบหกสามสามเก้าเป็นเก้าสิบสามหกสิบแปดเป็นสิบแปก็เป็นตันหาร้อยแปดจังวะ มันจะอยู่สิแต่ก็ยู่กับตัวเห่านี่เองเหาะโซอกหาที่นี่ไปซอกหาที่ใ่โหกิเลสก็ได้ก็เลยโบได้เห็นกิเลสจากเธอตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายแล้วก็จิจักบัเกิดอีตืมจากไปตกนรกอีตืมพาพระเจ้าพูดสอนย่ามาเกิดเกิดถึงก็ตายตืมเลนแล้วขันทำบุญให้ทานอยากไปเกิดเป็นเทวดาคนมีกิเลสแตมันก็อยากไปเสนอไปหาบนทุกข์กันขันหัวจากย่างเหงาเพราะว่าเนี่ยโอ้ยบอกไปเกิดหัวมันเนี่เทวดาเนีย สู <t t ้อยู่บ้านบุพมีโบได้ดอกเห็ดไห้เห็ดหนาเยอะเก็บผักห่านอกเก็บอยู่นี่ละนั่งกันแล้วเช่นว่าเขาไปปลุกเงินยุทสวรรค์สั้นฟ้าอยู่เสมอที่ไฝั่งเสาลงที่ไดนเัาโบฝั่งตะขีดินเนี่ยต้นไม้เขาเฮ็ดตึกสามสั้นสี่สั้นสิบสั้นยี่สิบเขาก็ฝั่งตะขีดดินขึ้นไปบ่าไม่เขาจะไปปลูกยู่อันใสลมใสแดดอยู่พุ่มมันเว้าเนี่ยโบมีอันผู้เว่าวกับโบหัจัก ผู้ฟังกระโบหุจักอีกตืมพร้อมกันตะลุมตะลุยไปกระโบหุจักทันไะอีกตืมเหมืนว่าอยงสั้นที่ว่าให้ฟังเนี่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติโทสะโมหะโลภะจื่อจางไปแล้วหักสบายเสณวะเวทนากระโทุกสัญญากระโบทุกสังขารกระโบทุกวิญญากระโบทุกคว่ำโบทุกและเพลินสวรรค์หกสั้นตาสั้นหนึ่งหูสั้นหนึ่งดังสั้นหนึ่งปากสั้นหนึ่ง กายสันหนึ่งใจสันหนึ่งหกสันในอยู่ดกขมสุขเพื่นเอิญโลกียะสุขเพื่นว่าจังสันแล้วงห่อจิตไปเอาคมสุขเมืองสวรรค์อยู่ใส่คนบูฮู้จักสอนมันกับบูฮู้จักคือกันทันละที่เนี่ยพอไห้ฟังเนี่ยวางง่ายๆตั้งอกตั้งใจอย่าพูดอย่าคุยกันมากเ่าปฏิบัติได้เหาก็ใดเ่าปฏิบัติบ่ใดเหาก็บ่ใดได้แล้วบ่ทันพอมันเทือพิกมือขึ้นกับหูมืออันหู้แล้วก็ได้แล้วเด้ ไดอันใดได้หัวมือนั้นแหละแต่ก้อนมันไ่เคยหัวมือจากเถื่อมันไปตามสันซาตยานของสัตดมันได้แล้วห่อบบูฮู้จักอันนั้นเพื่อเอ่ยเม็ดหมักงาเอาไปทิ้มใส่บ่อใส่เหวมานจีอันที่เต็มขึ้นมาคือเขาจี้สมบูรณ์แบบเพิ่งวาร์ยังสั้นคำมันสมบูรณ์แบบก็ได้กลับหนึ่งกับพัดสีอะไรยังไม่แต่ก็เกิดขึ้นมาจีนี่มีเรื่องไม่ยังถ้าหากผู้ได้ฟังรู้ทันทีเพระเอ่ยประเจกกาชน อนพุพัทธ์ปเจกะพุทธะพลว่าจยางสัน้นอันปเจกกะซนนั่นน่ะเข้าโบเข้าใจเข้าโบเข้าใจเนื่องจากโบกเข้าใจกับฟังผิดพูดกับผิดคิดกับผิดโอ้ยโบเมนแล้วทำหลายแล้วนี่ยโบหูอยากวันยาพ่อมาส่งเสริมยาพ่อมาส่งเสริมเด้เราธรรมะเนี่ยทําให้พุทธศาสนาเจริญเดชมู่เจ้ามานี่ก็มาส่งเสริมพุทธศาสนาเดชโบเมนสื่อว่าอยากเปิดไม่ได้เปิด เฮ็ดพูดกันก็เฮ็ดอันนั้นได้อยู่ยังได้เอาจิบเเพื่อนเอาลเอามู่เอาเพื่อนเอาเจ้าหัวไอจัวเอาครูบาอาจารย์มาว่าให้ฟังเนี่ยบ่แม่ของายได้ปรึกษากันหลายมือได้บนเนี้มาแล้วก็รีบตั้งอกตั้งใจทําซะวะที่ผู้ที่คุก็นเฮ็ดยังขันนั่งหัวตอมกันแล้วเอาละเจ้าเฮ็ดยังเจ้าเป็นยังเจ้าหูวหัดใส่แล้วเนี่ยเล่าไปเฮ็ดยังได้ประโยชน์อันใดของท่านนะพูดไปหัดกระทําสร้างเพื่อน่ะเมยเพื่อนเฮ็ดยังกระทําสร้างเพื่อนนะเมย พจน์จีขึ้นหาลูกหาหานก็ทําสรซ้ำเพื่อนว่าเฮาอยากขึดเฮาเบ่งโตเฮานี่เมื่อตัวเฮาหูโตเฮาเห็นโตเฮาแล้วเขาก็สบายใจสินะวะเพื่นวะอย่างสั้นให้ตัวสัญญาเนี่ยมันทําหน้าที่ของมันสัญญาคือเฮารู้เนี่ยพลิกมือขึ้นอีกซิลูสัญญาตัวนี้จีทําหน้าที่ของมันมันจะ้ลูเข้าลูเข้ามันก็เลยควบบุรุษกับจิ้หมดไปสินะวะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีอยังปกอังซีหูอยู่ ทุกคนว่าจะโกดเต็เรื่องอย่าโกดขึ้นมาปุ๊บนั่นเหาเว่าเห็นใจเหาจังหักซื้อนี่ได้เพราะเอิญคนลงตนลืมโต้คนลงตนลืมโต้นี่ถึงจะมีซีวิตอยู่กับเมืองกับคนตายแล้วคนว่าแต่มันเน่ามันเหม็นรนู้จักมันเน่ามันเหม็นบอสรู้จักบอสมันแสดงออกมามันเม็นคือของอุจจระเนี่ยมันว่าออกมาเพราะว่าของเน่าของเหม็นจะว่าหม้อหนังห่อของเน่าของเหม็นอ่ะสัน เาจีมาเบื้องต้นรูกกยภายนอกกีว่าหน้าดูน้าสมไม่ยังแต่โบเป็นอกเนี่ยพรนั่งพิจารณาแล้วแต่ก่อนนะแต่เมื่อให้กรรมฐานโบเป็นอกเหมือนวอาเป็นซื้อบัานมาเฮ็ดอันนี้นหละไม่บุตรต้องพิจารณามันเรียกโบยมาเกิดดอกกแล้วซื้อเนี่ยเรื่องมันมีเท่านั้นซื้อนี่นะเฮ็ดง่ายๆนี่นะเนี่ยพรวานี่นะแมื่อโได้ไปทานจากต่างกันจีได้หู้คือกันนี่นะของว่าพิกมือหู้บเส้นเงินให้ผ่านบุญเจ้าหูเดะลองเฮ็ดโบไม่เอาเงินเอาเอาพิบุนุพิคหมื่นหูบอ เนี่ยหูวันเงินพาหูเนี่ยมันแบงใจหรือเปล่าแม่เหว่าเซตเป็นเงินอันนาว่าเซตเป็นให้แม่นาพาหูอตูวหูเขามันมีอยู่นี่แล้วเป็นอย่างโบอยากเห็ดมันก็ตายเนี่ยเอ้าตายก็มันตายเราเบิ่งคำว่ามันก็ต้องใจมันต้องซู้จริงๆแม่จะบ่าคนเก่งมันมันต้องเก่งคนกล้ามันต้องกล้าอันนี้คนว่าอ้ยเมย์แล้วโบหูดอกตัวเนี่ยเพราะว่าเอาตื้นเลยขุมขี้ขานมันมาก่อนได้ไหมขุมขี้ขานได้ไหมหยัง เน่ยกรรมมาณโมหะโทสะโลภะตัว น, นี้เอาตายมึงตายเจ็ดบจเบดนกูเจ็ดนนนเนี่ยมันจะยังอ่ะเนี่ยมันกรรมมาด้วยศรัทธาสติสมา ธ, ธิปัญญามันสามคนเนี่ยให้ว่ามูละสามคนเนี่สบ ก, กัอยู่เนี่ยภิษุณะไิกษเอี่ยเนาี่ยพอเคยว่าให้ฝังอน่ Nh าพอไปปฏิบัติไม่เนี่ยล้หัวนอนลงหัวแทบนอนเลยมึงมานอนเนี่ยพอวะเนี่ยพูดเรงมันว่าลุกขึ้นมาเป็นบ้าเจ้าของเป็นบ้าบุกหัวจักลุกขึ้นมาเฮ็ดไปเฮ็ดมเฮ็ดไปอย่างมีประโยชน์อย่างนอนลง คนเป็นบ้าโดยบุหุ่จักตัวเองเป็นบ้านันนี่แ่ะบ้าบ้ามันหลายบ้าเด๊บุหู่จักได้กระดกเป็นบ้าอยู่น่ลุกขึ้นมาเหตุไปเหตุยังเพีอว่านอนไปมานอนเนี่ยเพียว่ามันเที่ยงกันอยู่ตอนเนีเมื่อโตวาขี้ขานั้นขึ้นมาแล้วโตมั่นบ่มีโตมั่นก็ขึ้นมาแล้วโตขี้ขานบนมันซกกันยืนอ่ะมันเ่อขับเห็นมันตีกันมันซกกันยืน่ะไผแก้งไผมีกําลังกันสู้กันชนะเท่านั้นล่ะหมู่เจ้ากับคือกันนกคือกันยัง่งกับควายเนี่ย ก็ขามีตาสองตาหูสองหูคือกันเล่มีแข้งมีขาคือกันเล่มีเบื้องซ้ายเบื้องขวาคือกันเี่ห์พระพุทธเจ้าเกิดในประเทศอินเดียก็คือกันนี่นะเป็นอย่างว่าจีเฮตโบไดเฮตโบไดพอขอกีคขานเท่านั้นที่ซื้อนี่นะอันว่าขี้ขานบวมีงคงานบวมยขี้ขานเนี่ยขันปวดท้องไปรถได้เนี่ยมันขานมันขี้เกียจท่านท่านบอกเออขี้เกียจขี้ขานอย่าไปเซื้อขวดพูดนันพูนี้บอ่อยซื้ออย่างพอลองพิตารณาบนด้วยมูอเจ้าอพิจารณาหูเมื่อวะหูเมื่อวะ เนี่ยแล้วมาคงหู ม, มันก็มีอยู่ในทุกคนเมืบนบอกนะมันก็ชิญยากไม่อย่างของมันมีอยู่แล้วเป็นอย่างบ่อย่างเหตุขัน ว, าวออ่าว่าจะคงเก้าหันหลับเพื่อว่าแล้วก็ว่าของเก้านี่ว่าของเก้านี่มันของมีมาจแท้ด้นะเจอตะลึกซ้ายระมาดคุณมันไม่อย่งอันนั่งอยู่เนี่ยมันไม่ได้แคร์มากไม่ได้ดูดยามันอย่างอยู่ซื่อๆดีนะและไปแล่นไปเหตุเหตุอย่างไรกันะมันบุ้งหัวจักมือว่าอันนั้นสนุกพมันว่าอย่าไปเหตุการณ์ให้ตั้งอกตั้งใจเวลามันน้อย ไมเมื่อวันที่ยี่บแปดนี่วัดจีมดแต่บวชว่ยี่สบเจ็ดหนี่มเมื่อนี่กับวันที่ยี่สบสามมือนี่แล้ววยี่บสองยี่สิบสองเมือนี่แน่ยี่สบสามยี่สี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยีิบเจ็ดแน่อย่างซี่ห้ามือหนึ่งได้ซี่ห้ามือนี่ใตั้งตั้งใจทาเลยอย่างพวาลูขึ้นมาเลยใคบนบตั้งใจทากับพอะปานนั้นแล้วของคูหัวตักใต่กระบืเ้เต็มจากเธอแล้วลงคู้อัดใมันดีเครือบใส่น้ำมันยางที่สีทาดีๆไม่ตักเลย ปั๊บหนึ่ก็เก็บไปรถสองปั๊บก็เก็บไปรถไิ่ได้ก็เต็มแอ่งเต็มไหมันก็ล้นออกไปเสนาอันนั่นแหละพูดว่าพาพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นนะอ่ะวันเม่อกีเป็นโตเป็นโ ต, เ, นตเกิดขึ้นคือจะเหาเกิดจากทองแมรนี้โบเมร์อยางซันเนี้ยมันค่อยปื้นออกค่อยปื้นออกคำว่าพื้นออกนี่กับจีวายังไหนหู้คอยขาออกคือ น, น้ําพุ่นเนี้ยคอยตักออกเอาคิดตุมที่เหรนนะี่ทิ้งนาอยู่ในหูคุณนะ่ะมันอกี้คอยไล่น้ํำพุ่นออกมา เขาตักลายเทือมก็คุณใส่เสว น, นาตักขี้ตุ่มออกอ่ะบัด น, นี้ตักออกหมดแล้วบัด น, นี้น้ำ ม, มันเป็นองมอ้งอยู่ขี้ตุมมาลามคุณเน่นยเขาก็นั่งเบื่อจนะกวนบัเดี๋ยวางปากบอ่อหันไปตักออกลายเทือบัดเนี่ยจากซี่ห้าเทือกวนน้ำกับบุคุ่นสันว่าอันนั้นแหละมีผูใ้ใดมาว่ามกจีลู่เท่าลู่ทนรู้จักกันรู้จักแก่รู้จัดอัศนาตัวเห่าได้เพิ่นว่าเอัศนะคนอื่นลอยคั้งพันหนบวบีประโยชน์ปีนั้ง สูเอาสนะโตเท่อเดียวเนี่บว่ได้คันเอาชนะโตเฮาเท่อเดียวเนี่ยมีประโยชน์มากที่สุดดังนั้นผู้อื่นวายเขาจะไปทุษามากเกินไปขจะว่าเขญญาขจํายากเขาเจ้าวหละยขจะบเมยเขาจาวาไปเฮาต้องสู้เพื่อว่าแต่ว่านักกีฬามันต้องขึ้นเวทีบ่อยๆแพร่สนะมันเป็นเกมกีฬาคนวายางานนัน้คนเฮี้ยมมวยเกย่ๆเนี่ยจะได้เป็นแชมป์เปียนรดโบอโอยจ้างมันจะได้เป็นไม่ได้เป็นแล้วคขโมยขึ้นเวทีกับคู่ต่อสู้ ขึ้นเวทีกับคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้มาแล้วบอว่าผู้นั้นหนักคนเฮาสูงคนเฮาใหญ่คนเฮาบอกวา่ามามาก็สู้รถแล้ลยคอยเบิ่งนะกูจิซกบนใดมึงน่าสันจิซกแขงซกขามันจะลมบอ่อสันอย่าพอบอกให้ได้เชื่อเลยมาคู่ต่อสู้มายืนเซะบนตังไหว้ขูก็ได้เอา้าวซกกันเนาะเขาขึ้นเวทีแล้วก็ บ, บอกให้จัดตึ้เขาก็นปุ๊บใส่ตารถสองตารถประเดี๋ยวซกใส่ตารถเฮา คนนั่งชักกำปั้นถึกตาแล้วกับหลับตาแล้วก็มืดพุ่ไปรดนชนะแบบนี้ลุกขึ้นมาสู้ให้ยึื้ซกใส่ตายตื้นมาซกเรื่อยมากับชนะทุกครั้งทุกครั้งก็ได้เป็นแสนเปี้ยนแต่มีเรื่องมั้ยอยงสมมุติวานนี้อันนี้ก็ได้พอดีเฮามีสติเยอะมันคิดปุ๊บหูจักคิดปุ๊บหูจักมาบุญเม่โกดแบนเนี้สอกใส่เขา้าใส่เบาคันว่าสังสั่งกัด บ, บางคนก็ไม่เตะรถมันลมควงรถมันเป็นยังมาแล้วโกดบนถนนบนเป็นตัวเป็นตได้แล้ว ไปโลดเนี่ยหัวปักไปพุ่นเนี่ยมักรหม่อมาหับได้สิก็ได้เป็นแฟนเปี้ยนสินะมีเรื่องเนี่ยอันแฟนเปี้ยนไปซกมวยประเทศนอกเลยบัว่าอันนั้นอันแฟนเปี้ยนจีกองเมืองอันนี้เนี่ยพวกอันจีมาญาติแย่งไปกองโบได้เดยเมืองอันนี้เนี่ยเขาเอื้นเมืองกายในนครเพิ่นวายสันขันพีมายุ่มอันจีเป็นเมืองผีคันเทวดามายุ่มอันจีเป็นเมืองเทวดาเพิ่นวาจังสันให้เขาเข้าใจขำพูดจังเสียถ้าโบเข้าใจแล้วก็ลุ่มหลงอยู่หันละ ฐานบวแดงห้ามไปรักษาศีลบวแดงห้ามไปทำกรรมฐ า, านบวแดงห้ามไปขุดน้ํา บ, บ่ก้อนสลาร์เนี่ยพอบวห้ามเนี่ยคำมันเศ้าใจให้ก็ดีแล้วใัรมันบู้เศาใจให้นั่นบวเมนทางเด้นั่นไว้ให้ฝั่งหลายเทือแล้วเด้เฮ็ดเมื่อลาลาดีเด้เพื่อออกอย่อยหน้าย่อยหลังซื้อ น, นี่เด้มาเฮ็ดอันนี้เพื่อบวออกซ้ําบาง ค, คนคำไม่ยำเนีย่ยยำนี่จริงๆเพื่อออกอยุ่นเดินจมกรมย่างไปย่างมามันคิดหัวจักปุ๊บ คิดห้อจักรพบอาสนะโรดเนี่ยผู้หยิงกระเจี๊หู้คือกันผู้ซากระเจี๊หู้คือกันเจ้าหัวไอจัวกระหูคะหคะห้คือกันบ้วกระหู้กันบ้วกระหู้คือกันนี่มันใช่เพี้กันยังไงคนจนกระหู้คนรวยกระหู้คนเขียนหนังสือเป็นกระหู้โบเขียนหนังสือเป็นกระหู้คนบางหู้โัวเหาเนี่ยเพิ่นวาตําหนิแผ่ทลีรีลักคนอื่นบ่หู้โบดีเหลือเหาใดเหาต้องรู้มัด ตำหนีแพลที่ลี้ลับอยู่บนไดของเขาต้องหูมัดเขาเคยไปหาไปหาเหมะเอไปหาเจ้านายเขาเขาจี้เฮ็ดอันตำหนีแพลใ บ, บมีเอาเนี่ยพอบนได้เห็ดดอกอันใบบัตรประชาชนว่ามีเงาเนี่ยพอมีปี้แต่แต่มันีย่ยพอเขาเอื้นปี้เดือนนี้เขาเอื้นบัตรประชาชนมีตำหนีอยู่ไสแพะจะอยู่ไสไงหูจักมดเาขออเาเขาแผลเขาคนอื่นบม่หูจักเขาหู้จักมดอันนี้ก็คือกัน ความซัวยอยู่บนเดาเขาจีหัวจักมัดของเขามีอยู่ใส่อย่างว่าจะตู้เหลียบไปแต่ข้างหน้าเดี่ยวมาข้าหลังแด่เหนียวท้ายแล่ขัวแด่คนว่าสั้นขันเหลียบไปแต่ น, น้าก็จีไปเห็นแต่น้าคนไปมันจะบัวเห็นได้ข้างซ้ายข้างขวัวต้องเหลียลวท้ายแหล่ขัวคนว่าจยางสั้นเมื่อเขาเห็นข้างหน้าข้างหลังซ้ายขัวเขาจีเห็นเนี่ยพระจว่าแสดงกระตานฟังว่าแถอะเขายู่ใส่เขาก็เห็นแล้วเด้มันเป็นเพียงความสมมุติอย่างเทียนพว่าให้ฟังเนี่ย นางอนันดาพระบุตรเจ้าเพิ tum, clubs, ่นบอหัวสาเพิ่นบวันไหวเฮาซี่เฮ็ดอันนี้กับโบต้องหัวสาโบต้องวันไหวไทยซี่ว่าเจ้ากรรมทำสร้างขาเจ้าเมื่อปากขาเจ้าจิตเสร้าเองบบเมื่อเขาเจ้าเว้าอยู่หันว้าเขาเจ้าจิตได้บีหนังก็ได้แต่ว่าหันแล้วเขาจิเสียบีหนังก็จิตเสียบีหนังเขาก็ได้แต่เฮ็ดนี่แล้วที่มีประโยชน์บีหนังฟันมีนําคนงงงกับจิเครียดท่านให้ซื้อนี่แล้วสั่งว่ามึงว่าเพิ่งกูเนี่ตะปากได้ปวดเห็ด ในเยาวจังไหนเจ้าของงกอเขาอีกเพไปจ่าเตะปากเขาอีกต็มเลยเขาว่าก็ยากเขาวะของมือหัวสาแล้วก็แล้วซื้อในมือมือเศรษฐีมือใเขาเขาว่ า, าวเยอะเขาจีได้เมี่อได้แต่เมื่อยเนี่ยเนี่ยศพนำหน้าคนเมื่ อ, อยนะตอนอันที่เนี่ยพอไว้ฟังตั้งอกตั้งใจมื้อนี้กับวันที่22แล้วมื้ออื่นนี้กับวันที่23สมควรพอนอนก็ต้องนอนมื้อคืนต้องนอนให้มากยาไปอดหลับอดนอนมื้อสวยต้องทำงานให้มากยาไปหลับไปนอนมื้อสวย คนคนอื่นหลับอื่ น, นอนเมื่อคืนแล้วสิมันทีเป็นประสาทนอนบ่หลับขึ้นมาบ่าดีเด้เนนั่นมันทีทําให้เป็นโลขึ้นมาเลยเมือ่อเสวย อ, อยากนอนบ่นอนมันอยากนอนต้องลุกต้องยาง่าเนี่ยเป็นอัไรจัดนั้นจัดนี้มัก็หายไปโลที่เป็นว า, างสั้นที่เนี่าพ่อวายฝั่งบ่มีเรื่องมีอย่างจักน้อยเด้ย่ยาพ่อหู้จักตังสีเย่าพ่อกานณ์มาสอนเสนะบ่เป็นสิเ่าพ่อจีบหู้จักเด้เนี่ยขันวายังสีมันก็ต้องวายได้น้อยนึงเนี่ คนมีดีเอามาว่าวกับคนอวดดีมันต้องผิดกันจิอันนั้นอวดดีซื่อๆอันนั้นบุมีดีได้โตเนี่ยที่มีประโยชน์มั้ยเนี่ยคนมีดีเอามาเว้ามันเนี่ยแม้่าเขามีดีเขาเจะมาเว่าวคนมีแล้วเอามาสอนคนกระหู้เสนว่าคนบุ้มีเอามาสอนกับซีพุ่นซีพีซีนน์ซีนีนน์นน์นีนีไปเสนอคนบุ้มมจักเป็นว่าอันนี้เป็นว่าคนโง่โ ho มาสอนคนมาจิสระจังได คนสลาดไปสอนคนโง่แต่มันบดสลาดมื่อนี้เมื่ออื่นก็นสลาดขึ้นมาสันวะเขาต้องห้จักเราพุทเจ้าสอนแล้วอย่าเบียดเบียนตนเฮาอย่าเบียดเบียนผู้อื่นคนวะทำเราใดเป็นไปพระความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินยัยไม่เป็นคําสอนของเราตถาคตไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติเหมือนว่ายอย่างนั้นเบียดเบียนตนเองเนี่ยไม่หยัง่งแดหนึ่ง เปนั่งภาวนาพุทธโธทำโมพองยุบอะไรก็ตามเจ็บแข้งเจ็บขากระเจ็บแข้งนอปวดแข้งน้อปวดหลังปวดเอวนั่งทรมานตนอันนี้พระเอีเยีดเบียนตนเองอนนันนะบัดนี้ก็ะโกดขึ้นมาบัดเนี้ยคนมาว่าให้เนะี่ยอันนี้ก็เบียดเบียนตนเองอันนันนะให้หูจักว่าเจ้าของเฮ็ดพิสเพราะว่าเบียดเบียนตนเองบุควรศึกษาและบุคคลปฏิบัติเขาก็ยังเฮ็ดอยู่ เนี่ยเพอาก็เหตุเรื่องพวกนี้จีว่าพูดกับวาบุได้ตามันยักมือน์ก็ให้หลับเอาไว้เนี่ยมันบิดเบียนตนเองนาะที่เข็ดเป็นงอดมากัดมาต้อนของจีบุเห็นเนื้อง้างปากจีไปส่วนหลักส่วนต่อมันก็เจ็บเสนว่าคนหลับตาบันนี้มีของอยู่ในบ้านในเฮืองเขามาลักออกมาเม็ดเสนาว่าเพนเอินคนโง่อันนั้น่ะมาสอดมานิสลายยังไดบันนี้ทําเราใดเป็นไปเพื่อความบุบิดเบียนตนเองและบุบิดเบียนคนอื่น นั่นแหละเป็นธรรมนั่นแหละเป็นวินัยนั่นแหละเป็นคำสอนของพระพเจ้าควรศึกษาและควรปฏิบัติด้วยสันนมันจ็ดแค่จ็ดผาของคุณเปี่ยนสันนือตารมันยักมือกับคุณมือสันนิวมันคิดบ่ดีกับเสาสันนิวมันก็บ่เบียดเบียนผู้ใดสันนิวเนี่เพราะว่าควรศึกษาควรปฏิบัติอย่างนี้สันนิวอย่างทันอาทิตย์อย่างพอบาให้ฟังเนี่ยฟังง่ายๆแต่ขันผู้บวชเข้าใจโอ้ยฟังว่ามีบารมบาลี่มีศักดิ์มีแสงเอ้า พระพุทธเจ้บทหนึ่งคนเมืองไทยคนอินเดียพูด น, นะมันกลาวว่าประเทศอินเดียพูดว่าตาในเขาเอิ้นอายอาจารั์อายอาจารย์ตานี่ยหูเนี่ยเอิญเอียบอกยังเอียบมันเป็นบ้านเฮาว่าเนี่อายเอียโนดอาจารย์ทางไม่หุอนญาพ่อกระจำได้เขียนได้เฮียนเนยเพราะไปเพราะเดคนอังกฤษจะเฮียนอย่าพ่อว่าให้ฟังถึงบทหนึ่งฟังหักหักหนึ่ห่านคงเป็นคนเยอรมัน เรียนปริญญาเอกได้สามปริญญาเอกได้สามด็อกเตอร์มาถามอย่างพอนิพานนี่มีจริงไหมวัสนาวาลตายได้ยังเอาหรือวัตถุนแล้วกับชีวิตของนักบวชกับชีวิตของพระนี่คือกันไหมวัตถุนเนี่ยสร้างถาดอย่างไรโมเจ้าที่มีปัญญาถาดอย่างไรเนี่ยจ้อยหวับมวงปัญญาตอวหมูเจ้าเท็ดเฮนะพราคนไม่ได้เห็นหมันที่มีปัญญาจังไรถามมาแล้หลายอาจารยนะ์เนี่ยโอ้วะ นิพพานกานตายแล้วก็ที่ตายเดี๋ยวนี้นี่เสียวามันบมันตายแล้วยังเอาได้นิพพานอะคือคนบวทุกข์กันเด้นิพพานมันต้องมีอยู่แล้วโอ้แล้วชีวิตของพระกับชีวิตของนักบวชคือกันนไม่ที่คือกันในอย่างนักบวชกับพระพระกัไปรย์ผู้สอนคนผู้บ่มีทุกข์เปต่างหากอันนักบวชได้บวชแล้วก็ศึกซึ่งแล้วก็บวชอันนี้ว่าจซื้ออันนี้บางคนบ่มีเข้ากินบ่มีเหินนอนทุกข์ยากปากหมอมก็จําเป็นกับเปรยอาศัยบวชเลี้ยงชีวิตสนุ้ เขาเบื้งบอกได้ไหมยังสันน่ะนี่เบื้องบอกกัยังการเห็นมือกันเรื่องเรื่องภาษาทุสาษทุกอะวะเนธไม่เป็นสันแล้วเขาบูเขาจักคนมุดเนื้อมุดหนังอันนั้นคนมุดทางไปแล้วได้นั่นเขาต้องหู้จักลังสันคนคนมีตาทิพย์โมเดวาคนนั้นคนนี้ได้เฉพาะกับมุดเนื้อมุดหนังคือกัรนหนแล้วเพากับเป็นลงตันในบาวลดเพาะหักบมังสันได้เยพาะจีวินนหูมูจะบอให้กินเขากับกิ่เขาไปกินบนอื่นก็ได้ข่เราตือสันี้แล้วหักกินบอลเพา กินมลมีแต่พูดก็เอาเนี่ยพอกินเขาเลยเนี่ยเพราะว่าก็เป็นโยพ่นมาพ่อมึงกินเขาเลเนี่ยไปบ้านบนเด็เจ้าอยากให้กินเขาข้าเป็นทางกเหมือนพ่าจันหัวเนี่ยไปกินเขาบ่อยๆเนี่ยมึงไม่เท่าเรื่องพราเท่าเรื่องมึงกินเขาเลยเนี่ยมากินเขากินแม่ผักเข้าอยู่กันกินโรตเนี่ยพ่อโมโหอจากเห็นภาษการเนี่ยพอกินโรติเนีพ่อเป็นทางกนิสัเนี่าพอกินมัดพี่น้องพอดเอิญกินกินมัดอยากอยากก็กินคำหนึ่งสองคาก็ได้กินแล้วขาเจาดีใจใครบกินข ja ้าสั่งเป็นา คาว่าขพนุษ์นะอันนี้บ่มีได้เป็นอันสัน่นเนี่ยเพาะเนี่ยพ่อมีแม่วงกับคุณอันสลีว่าให้ฝั่งเ <c oughs> มื่องด้วยก็มีเขาจะไหว้ฝั่งแม่วงไหว้ฝั่งพาไปบินทบาทเนี่ยเมื่อเ้านี้บ่ไปบินธบาทไปบินทบาทได้เข้ามากินแล้วกรณีตอนคนกําลังที่แต่งาการทำงานแลี่ยไปบินธบาทเงินเข้าไปบ้านไปเอาบาตรติดตั้งเง่นให้ใส่บาตเงินบ่ให้ใส่บาตรเขาเนี่มีได้กุนเทพคุณ สามืือท่านไปบ้านแมวงแม่วงเสียเงินซื้อห้ารอยสันละว่าบ้านคุณอัศดีกับสามมือเมื่อถ้ามีท่านพ่อพแม่ให้คนละห้าร้อยบนหวได้เินไปพันห้าเมือลุ้นวิเนี่ยพ่อพู้แม่กับเราให้คนละพันบาทได้เงินสามบมื่อลุนที่ไปเอาหมื่นหนึ่งที่ไปถ่ายเอาบัให้เลยด้แต่หาตำรวจพูนะไม่เป็นอะไรท่นอยาพ่อไปเอิน่ะไปเรียกเลพอปกตูบ้านข้าเจ้าคนนี้เอาตาแมนยังเจ็บบใคร่เอาแล้วบเนี่ยอ้าวยังจะบวมาไขตูเอายังเจ็บะ ดิ่ดดิงเรือไม้คนใสมาพระเอาไส้ผ่ากระบอไข่จูเอาแล้วแบบเนี้ยอ่าไมนมีธุระได้เหนียว <c oughs> <c oughs> คนอันซาลีเดินไปโอ้ยอย่าพาะใชไข่จูเอาเพรเป็นอย่างบุมาปุ้นมะจี้อย่างดอกกระเนี้ยเนี่ยไม่เป็นอะไรที่อาตมาได้พูดธรรมะให้ฟังมาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเกวเวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่หน้าสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้า ให้เราได้พบได้เหตุเอาในชีวิตหรือในขณะมูเจ้านังอยู่นี้